เรื่องของโลกเรื่องของกิเลสนะใครเท่าทำอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาหรอกเป็นเรื่องของตัวบุคคลลูกศิษย์หลวงพ่อนะั้นไม่ค่อยว่นไไหวเรื่องของโลกอย่างนี้หลวงพ่อสอนให้รักพระพุทธเจ้ากรบพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ติดตัวบุคคลสอนให้เรียนธรรมะให้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ลงมือปฏิบัติยกระดับจิตใจของตัวเองไปสู่ความพน้นทุกข์วันหนึ่งจะได้เป็นพระสงฆ์กัเขาบ้างผู้หญิงก็เป็นได้นะผู้ชายก็เป็นได้ฆราวาดก็เป็นได้พระก็เป็นได้คำว่าสุปฏิปันโนพรคัาวีรโตสาวะกะสังโคไม่ใช่บอกว่าพิกุสังโคนะไม่ใช่คาว่าสาวกะสังโคสาวุ อะไรเป็นสาวกบอกคู่แห่งบุรุษสคู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนีสํานวนของแขกโบราณบุรุษ4คู่มีสกลุ่มกลุ่มโสดาสกทาคาอนาคาพระละหาันนับเรียงได้8ชนิดโสดาปฏิมัก์โสดาปฏิผลสกิทาคามีมัสาามีผล อนาคามีมากอาาคามีผลอรหัสตมามะรหัสกับผลในพระอริยะมีอยู่แปดจำพวกแต่แปดจำพวกนี้เป็นจำพวกที่เกิดขึ้นแวบเดียวนะชั่วขณะจิตเดียวก็4สี่จำพวกพระโสดาปัติมากเนี่ยไม่ใช่พระโสดาปันติผลไม่ใช่ฆราวาสก็เลยแยกจำพวกเอาไว้อันหนึ่งแต่ความจริงแล้วเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเอง ทันทีที่เกิดโซดาปฏิมักเนี่ยจะไม่มีช่องว่างมาขั้นเลยจะกลายเป็นโซดาปฏิผลทันทีเลยแต่ท่านจาแนกไว่อย่างละเอียดเพราะว่าถ้าโสดาปฏิมักก็ไม่ใช่ถ้าโสดาปฏิผลไม่ใช่ปูถุชนจะผ่านไปชั่วขณะเดียวเนี่ยจะเห็นว่าท่านจาแนกคาว่าสาวะภาษาโูพระสงฆ์สาวกของท่าน ด้วยความเป็นพระอริยาบุคคลไม่ได้นะช่วยเพศนะเพศแบบเช่นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นฆราวาสอะไรเงี้ยเป็นเพศบพรรพชิตเป็นเพศขรุขร์ไม่ใช่แต่อย่างหลวงพ่ อ, อพวกพระทั้งหลายเนี่ยเนี่ยพิษผุกสังโคเป็นกลุ่มของผู้ขอดารงชีวิตด้วยกันขอทานขอทานต้องมีมารยาทในการขอท่านสอนขอมุมมั่ไม่ได้ อย่างพวกเราถึงไม่ได้บวชนะเราก็อาจจะเป็นสุปฏิปันโนพัากวะโตสาวกะสังโคได้เหมือนกันในสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราคือเรื่องพวกนี้นะมามยกระดับตัวเองเรียนธรรมะเรียนคำสอนของพวะพุทธเจ้าให้เข้าใจยกระดับใจของเราขึ้นไปจนเป็นอริยาสาวก เมื่อเป็นอริยะสาวกแล้วเนี้เราจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจแน่นแฟนมั่นคงในพระพุทธเจ้าไม่เคยคลอนแคลนเลยใครจะลื อ, อยังไงนะก็ไม่คลอนแคลนสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าเองก็ถูกใส่ร้ายนาน า, นานประการบางทีเขาก็จ้างผู้หญิงมาถึงเวลาตอนเย็นนะเขาทำเป็นเดินไปวัด ไปซุ่มอยู่วัดเดระทีข้างๆเช้าก็เดินสวนกับชาวบ้านกับชาวบ้านไปวัดหลังนี้ก็สวนทล้วว่าออกมาจากวัดอยู่ไปเรื่อยก็ทำเอาผ้าเอาอะไรออะไรยัดใส่นะทำว่าท้องท้องกับพระพุทธเจ้าก็ก็เที่ยวเล่าคนไปดรืยคนมันก็คลอนแคลน คนส่วนใหญ่ก็เหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยก็คลอนแคลนก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเพื่ออริยาสาวกทั้งหลายไม่ได้มีความคลอนแคลนเพราะว่าเขารู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์สาวกจริงๆคืออะไรอย่างบางคนบอกว่ามีข่าวพระไม่ดีก็เลิกนับถือาศาสนาแล้วไม่เอาแล้วาศาสนาพุทธ มีพระทำไม่ดีพวกนี้ไม่รู้จกักศาสนาพุทธอยู่แล้วพวกนี้ไม่ใช่ชาวพุทธอยู่แล้วถ้าเป็นชาวพุทธจะรู้ว่าชาวพุทธไม่ใช่เรื่องของพระดีไม่ดีอะไรเป็นพุทธศาสนาของเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราธรรมะเป็นาศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้า ธรรมะไม่เคยด่างคร้อยเลยธรรมะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครต้านทานได้เป็นสัจจะเป็นความจริงตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรครั้งแรกแสดงธรรมะครั้งแรกเลยให้พระปัญจวัคคีย์ฟังท่าบอกว่าท่านได้หมุนกงล้อของธรรมจักไปแล้วธรรมจักก็เหมือนล้อรถล้รอรถศึก พระเจ้าจักรพรรดิก็มีรถสึกแลถ้ารถสึกของพระเจ้าจักรพรรดิเคลื่อนไปแล้วล้อรถหมุนแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้พระเทเจ้าท่านก็เป็นธรรมจักรพรรดิเหมือนกันเป็นจักรพรรดิอีกชนิดหนึ่งเรียจักรพรรดิโดยธรรมเมื่อท่านหมุนคงล้อของธรรมจักรแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ถ้าเรารู้เรื่องทุกนเรื่องเหตุให้เกิดทุก เรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์เรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์อันนี้แหละตัวธรรมจัก ธ, ธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครต้านทานได้ใครจะเถียงได้นะว่ารูปนามกายใจขันห้าอายตนะหกธาตุสิบแปดอินทรีย์ี่สิบสองอะไรนี่นะไม่ใช่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ใครก็เถียงไม่ได้ เคยมีคนพยายามเถียงชื่อสัจกะนิครนย า, ยามไปเถียงพระพุทธเจ้าก็าได้ยินคนพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาจะมาโต้เอาชนะพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วเที่ยวฝุ่ยโม้ไปทั่วเลยนะใคยดูสิพอมาโตบาทีนะพระพุทธเจ้าต้องเหงื่อแตกเลยด้วยความตกใจ มีอย่างเยอะว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยรูปไม่ใช่ตัวตนแล้วจะเป็นอะไรเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจะเป็นอะไรเขาจะมาโต้เดี๋ยวจะปราบให้อยู่เลยเจะเหวี่ยงพระสมณโคโดมเน้นด้วยวาทะของเขาเหมือนคนที่มีแรงมากนะเอาเสือเนี่ยไปเหวี่ยงไปเหวียงมานะไปซักเสือในน้ําเหวี่ยงเอาให้จอดเลย เอาให้เหงื่อแตกท่วมตัวเลยนะแบบถึงขนาดว่ารักแร้เปียกเลยอะไอย่างเงีย้ยสํานวนเขาหนักหนาอยู่นะพอไปเจอพุทธเจ้านะเขามาถามว่าท่านสอนอย่างนี้จริงเหรอือว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่ใช่ตัวใช้ตนจริงหรือเปล่าท่านว่าจริงเขาเราถามสามรอบนะเพื่อไม่ให้ดิน้นจะมาตะแบงทีหลังว่าไม่ได้พูดไม่ได้เลยถามให้คนได้ยิน วันที่มาต้นเรียกคนมาเยอะแยะนะกษัตริ ย, ย์เกษตรอะไรก็มาเขาก็ก็หยิบเสร็จแล้วผู้เชี่ยวก็ถามแล้วก็บอกให้อธิบายสิผู้เช้าก็ถามว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงถามประโยคแรกนะสัจจการนี่คนก็เริ่มเหงื่อแตกแล้วนะท่านถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกขนะ์ไม่ตอบไม่ได้นะท่านถามแล้วไม่ตอบ ท่านก็จะถามซ้ําท่านบอกถ้าท่านถามซ้ําหลายทีเนี่ยฟ้าผ่าเลยนะฟ้าผ่าจะชาวบ้านทนได้เอาอะไรกว้างหัวเอาก็ได้ <c oughs> แกก็ต้องตอบรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์นะสิ่งนั้นควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงไม่ควร พระเจ้าก็ถามว่าแล้วเหงื่อของพระพุทธเจ้าออกไหมไม่ออกเหงื่อของแกเนี่ยท่วมตัวเลยบอกลองยกรักแล้มาโชว์สินะเหงื่อเปียกไปทั้งตัวแล้วเปียกกระทั่งรักแล้อันนี้ก็เป็นชัยชนะครั้งสําคัญของพระพุทธเจ้านะสัจจาการนิครนี้ไม่มีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องปัญญาตแตกฉานมาั้งทําไมต้านทาน พระพุทธเจ้าไม่ได้ต่านทานสัจจะไม่ได้ต้านทานความจริงไม่ได้ความจริงที่ว่ารูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนนะความจริงของตัวรูปนามกายใจก็คือตัวทุกข์นั่นเองงั้นะแค่ตัวทุกข์ตัวเดียวก็ต้านทานไม่ได้นะนะยังไม่ได้พูดไปถึงตัวสมุทยัยตัวนิโรธตัวมรรคเลยนะ เทีนธรรมะของพระพุทธเจ้านะเมื่อท่านประกาศออกมาแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทันได้เพราะว่ามันเป็นความจริงแท้แต่ว่าผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะอย่างนี้มันเสื่อมสลายได้นะศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็มีขอบเขตทั้งสิ้นเลยคนที่มีบุญวาสนามีบารมีแก่กล้าพอถึงจะได้ยินได้ฟังได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติ ได้รับผลของการปฏิบัติที่น่าชื่นใจคนส่วนใหญ่บุญบา ร, รมีไม่ถึงสติปัญญาไม่ถึงเข้าไม่ถึงธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าคนพวกนี้ยังค่อนแคลนได้นะาชาวพุทธส่วนใหญ่ในเมืองไทยพวกเราลองดูดิเขาเป็นชาวพุทธแบบไหนเป็นชาวพุทธแบบเวลาเวลามีความทุกข์มาถึงตัวเองนะก็ไปบ่นบานสารกล่าวที่โน้นที่นี่นะพึ่งสิ่งโน้นสิ่งนี้ เข้าวัดก็ไปไหว้พระลาหูไปไหว้ช้างอะไรนะเทวดาจะสร้างกันเยอะแยะนะไหว้พระคเนศเออไหว้ น, น้นไหว้นี้ไปเรื่อยหวังว่าจะให้เทวดาช่วยนะหรือไปทําพิธีนอนในโรงศพไปทําพิธีมุดใต้โบสถ์อะไรเงี้ยเราไม่ว่าเขานะไม่ตําหนิเขานะควรเห็นใจเขาเขามีความทุกข์ คนทั้งหลายเมื่อมีความทุกข์มันก็จะดิ้นรนหาที่พึง่งที่อาศัยพระเจ้าบอกมนุษย์ทั้งหลายเวลามีความทุกข์เข้าถึงตัวนะก็ไปไหว้ต้นไม้บ้างไหว้ภูเขาบ้างไหว้จอมปลวกบ้างไหว้แม่น้ำบ้างน่นนะไหว้เจดีต่างๆบ้างหวังว่าจะพ้นจากความทุกข์เขาย่อมไม่พ้นจากความทุกข์เลยส่วน ปุถุชนที่ได้สดับเนื้อพรายญาบุคคลอะไรพวกนี้นะเวลาความทุกข์เข้าถึงเนี่ยตัวนะมีพระตนาไตรเป็นที่พึ่งมีธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งนะคนเหล่านี้เข้าถึงความพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าได้นึกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่การไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนานานะ ที่นอกเหนือจากเรื่องทานเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรนะมันก็ไม่ใช่ทางแต่เขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีบุญพอที่จะได้ยินพุทธธรรมที่แท้จริงนะเขาน่าสงสารเพราเราอย่าดตาหนิเขาบางคนชอบดูถูกคนนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกยังไปลอดใต้ถุนโบสถหวงังว่าจะเฮงอย่างนี้นะน่าสงสาร ชาวพุทธแท้ๆนะจะไม่คลอนแคลนเป็นชาวพุทธป ล, มปลอมๆแบบนั้นแหะที่คลอนแคลนเพราะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงวันนี้เป็นวันอาสันหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าหมุนกรงล้อของธรรมจักท่านประกาศธรรมจักแล้ตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่มีใครต้านทานธรรมจักของท่านได้ธรรมจักนี้ลึกซึ้งนักลึกซึ้งนัก เรื่องทุกก็ลึกซึ้งนะเรื่องสมุทัยก็ลึกซึ้งเรื่องนิโรดเรื่องมากก็เลือนแต่ลึกซึ้งผู้มีสติมีปัญญามีบุญบารมีถึงจะได้ยินได้ฟังได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติที่ชื่นใจคนที่เขาบุญไม่ถึงเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งที่วิเศษอย่างนี้คนที่มีบุญบารมีมีจํากัดเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเพรืะฉะนคนที่จะเข้าถึง แก่นทมของพระพุทธเจ้าจริงๆแนละ้วเป็นคนส่วนน้อยหรอกนะคนส่วนมากก็นับถือแบบดาดๆไปนะนับถือพระพุทธเจ้าด้วยนับถือเทวดาด้วยนับถือผีด้วยนะนับถือผลประโยชน์ด้วยนะแล้วแต่จังหวะคนเหล่านั้นคลอนแคลนนะเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อคนมีบุญมีบารมีนะมันหมดชุดไปนะมัน่็ไม่มีคนที่จะศึกษา กระพพิดปฏิบัติให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ธรรมะนั้นก็ไม่ปรากฏออกมาไม่ใช่เสื่อมนะธรรมะเสื่อมไม่เป็นหอกเพราะเป็นสัจจะเพียงแต่ว่าไม่มีคนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเห็นสัจจะในยุคนั้นในสมัยนั้นก็เป็นช่วงที่ธรรมะอันตรฐานไปหายไปจากโลก ในพรหมโลกในเทวโลกอะไรเนี่ยนะพวกพระอริยาสาวกที่เป็นอริยาสาวกไปแล้วนะขึ้นไปอยู่ข้างบนธรรมะก็ยังอยู่ข้างบนมีแต่ในโลกมนุษย์ไม่มีนะพรหมบางองค์อยู่มาตั้งหลายพระพุทธเจ้าแล้วเคยเฝ้าพระพุทธเจ้ามาหลายองคนะ์พวกนี้รู้จักธรรมะเป็นพระอริยะเป็นอะไรมีอยู่แต่อันตรธานไปจากโลกของมนุษย์ลืมไปหมดไม่มีใครรู้จัก ช่วงที่ธรรมะดำรงอยู่นี่เป็นช่วงที่สั้นมากช่วงที่ปราศจากธรรมะในโลกนี่เป็นช่วงที่ยาวมากนึกนึกเทียบนะมอนเหมือนฟ้าแลบขึ้นสักครั้งหนึ่งฟ้าแลบสว่างแวบเดียวถ้าก็หายไปแล้วเวลาที่เหลือก็ไม่มีฟ้าแลบโลกก็มืดมนไปบางว่ามีพาทิตยนะ์นะสมมติว่าไม่มีภาทิตย์ด้วยนะ มีแสงสว่างอยู่อันเดียวคือแสงฟ้าแลบเวลาที่พุทธธรรมปรากฏนะเหมือนชั่วฟ้าแลบเท่านั้นแวบเดียวเท่านั้นก็หายไปแล้วพวกเรามาอยู่ในยุคที่พระสัทธรรมยังดำรงอยู่คนวายศึกษาปฏิบัติเข้ายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นพระสงฆ์สาวกให้ได้ผู้หญิงก็เป็นได้นะ ผู้ชายก็เป็นได้เด็กก็เป็นได้ผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นได้ทั้งนั้นแหละสมัยพุทธกาลบางท่านก็ออกบวชเมื่อแก่พระราชาออกบวชเมื่อแก่พระมหากัสปาอายุมากแล้วออกบวชบางองค์ก็ออกบวชแต่งงออนหนุ่มบางองค์ออกตั้งแต่เด็กๆไม่จํากัดอายุนะไม่จํากัดเพศเพศที่สามก็ภาวนาได้นะ เพศที่สามเภาวนานได้เป็นตุด๊ดเป็นแตว้วเป็นทอมเป็นดีอะไรเนะี่ยภาวนานได้ไม่ได้ห้ามอะไรแล้วก็ไม่เข้าขา่าอาพาธพระบุคคลเลยไม่ได้บ้าใบาบอดหนวกมาแต่กําเนิดนะว่าปฏิบัติได้ในสมัยพุทธกาลก็มีร่องรอยอยู่นะร่องรอยอยู่งั้นพวกเรามีโอกาสแล้วนะ ทุกๆคนก็พยายามศึกษาเบื้องต้นต้องศึกษาหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ศึกษาผู้ที่จบการศึกษามีผู้เดียวเท่านั้นคือพระอรหันต์เรื่องอาศขบุคคลเราศึกษาเรื่องอะไรเราศึกษาเรื่องศีลเราศึกษาเรื่องอะไรเราศึกษาเรื่องจิตเราศึกษาเรื่องอะไรเราศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาเราจะศึกษาสามเรื่องนี้ ถ้าเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาถ้าเป็นชาวพุทธแต่ปากไม่ศึกษานะก็เป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นนะพระอยากมีเมียเนี่ยเราศึกไปเนี่ยไปมีเมียนี่ไม่ผิดอะไรนะมีเมียโดยเป็นพราอยู่ถึงจะผิดนะหรือเรื่องมีข่าวค้ายาเสพติดพลากผู้เยาว์ไม่ใช่ตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวแทนพระธรรม คนไปหลงกันเองนะเชื่อกันเองเชื่อง่ายเกินไปเรื่องเชื่อง่ายเนี่ยมันก็เป็นมาตลอดนะมันเป็นความอ่อนแอของมนุษย์สมัยพุทธกาลเห็นคนแก้ผ้าก็ว่าเป็นพระอราหันต์นะไม่ยึดถืออะไรแค่นั้นเองเท่าไหะไรเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะนะสิ่งที่แปรปลอมโสกปลกุกแฝงเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมาตลอดนะ หลังปรินิพพานแล้ว200ปีช่วงนั้ น, นพระพุทธศาสนายังบุมมากเลยพวกรัที่อื่นๆสู้ไม่ได้นะก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็เริ่มประกาศเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้สอนอย่างนี้จริงๆก็คือคําสอนของรัตที่เดรัถถีนั่นเองแฝงเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาจนพระผู้ใหญ่พระโมคคิรบุตรติสสะ มหาเถระท่านรู้สึกสู้ไอ้พวกเดลทีไม่ไหวเดลทีท่วมบ้านท่วมเมืองนะมาอยู่ในวงการส่งเนะี่ยท่านก็หลบออกไปอยู่คนเดียวนะปลีกตัวออกไปเจนทังพระเจ้าอาโศกหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเจ้าโศกก็ถามพระ ว, ว่าตอนนี้ในวงการพุทธนี่มีปัญหาอะไรพระก็เล่าให้ฟังว่ามีพวกปลอมปนเข้ามาอยู่เยอะ ทำให้พระสัทธรรมเนี่ยฟั่นเฟือนไปคนไม่รู้หรอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจ ร, จริงๆคืออะไรแจวศกบอกต้างจะทํำยังไงบอกต้องสังคยนาใครจะเป็นผู้นําสังคยานาได้เห็นยดวงเดียวพระโมคคิริบุตริสะมหาเทระเข้าไปนิมนต์ท่านมาเป็นประธานสังคยานาครั้งที่สามพระโมคคิริบุตริสสะเนี่ยอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายเทรวาดนะ ทางมหายานไม่พูดถึงองนี้ทางมหายานพูดถึงพระอุปคุตนะพวกเราไหว้พระอุปคุตไหมไหว้พระโมคคิริบุตรติสสะไหมไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมวันหลังต้องปั้นรูปท่านใหญ่ๆสะกัน <c oughs> บางตำนานนึกว่าวงเดียวกันนะอนะแต่บทบาทไม่เหมือนกันบทบาทพระอุปคุตเนี่ยบทบาทมาสู้กับมารนะอิทธิปฏิหาร บทบาทของพระโมคคิริบุตรติสระมาสู้กับมิชชัติธินิรมานตัวจริงเลยยิ่งหลายหนักเข่าอีกท่านสังคยนานะพระเจ้าโศกท่านก็สั่งคนของท่านเตรียมผ้าขาวไว้เพียบเลยสังคยานาเสร็จพระเจ้าโศกก็ฟังหลักธรรม ะ, ะที่แท้จริงเป็นยังไง ร, รู้แลนิมนต์พระมาเลยที่ละเมืองทีลวัดนะ นิมนต์พระมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าตอบถูกนะไม่ได้อะไรนิมนต์ับไปตอบผิดได้รางวัลแจกผ้าขาวพระนั้นถูกศึกมหาศาลเลยตอนนั้นนะพระศาสนาก็ผ่องใสเห็นหมาตอนนี้เราไม่มีทั้งพระเจ้าโศกนะไม่มีทั้งพระโมคคิริบุตริสะสิ่งที่แปลง ปลอมตัวเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะลทัทธิเดียร์ลธิต่างๆนะปลอมผลเข้ามามหาศาลเลยนะเช่นลทัทธิเชื่อว่าจิตเที่ยงเคยได้ยินว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงมันเป็นมิจฉาทิฏฐนะิชื่อสัจสตทิฏฐิถ้าจิตศูนย์มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุทเฉทา ท, ทิฏฐิ ที่ถูกเป็นไงสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิดนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้ามันลึกกว่ากันเยอะนะมันไม่ใช่เรื่องความมีหรือความไม่มีแต่ว่ามีเหตุมันมีไม่มีเหตุมันไม่มีนะมันลึกซึ้งกว่ากันมากมายซึ่งประโยชนอย่างเนี้ยคนทั่วไปรับไม่ได้คนทั่วไปต้องการยืนยันว่ามีหรือไม่มีโดยไม่คํานึงถึงเหตุผลเลยมันลึกซึ้งกว่ากันเยอะนะ ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเทียงกันตายแล้วเกิดพวกนี้เขาเรียกว่าสัตตตถิฐิตายแล้วสูญพวกนี้เรียกว่าอุเฉทัตติติเป็นมิจฉาทิฏฐินะคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธเชื่อว่าอะไรตายแล้วเกิดใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิแต่เราก็หนึ่งนึกว่าเนี้ยแหะถ้าใครคิดว่าตายแล้วสูญถึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิใครว่าตายแล้วเกิด เป็นสัมมาทิฏฐนะิความจริงเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ทงคู่มันผิดตั้งแต่ไหนผิดตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายไม่คิดว่าตอนนี้เรามีอยู่จริงๆตอนนี้เรามีอยู่จริงๆเพียงนะแต่ว่าพอตายแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้หายไปเลยหรือไอ้ตัวนี้ยังอยูนะ่คิดว่าเรามีอยู่จริงๆกระทั่งพวกที่ว่าตายแล้วศูนย์นะหรือพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายนะที่ไม่เชื่อเรื่องชาติน้านะ พวนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงที่ปัจจุบันนี้เรามีอยู่จริงจริงมันพลาดตั้งแต่จุดนี้แล้วพอปัจจุบันนี้เรายีมีอยู่จริงๆอนาคตล่ะมันจะมีหรือไม่มีมก็กลายเป็นเถียงออกไปสองแง่สองมุมนี้มีหรือไม่มีถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งในคําสอนของพระเจ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีตัวมีตนมันมีแต่สภาวธรรมอยู่สภาวธรรมคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีอยู่เพราะมีเหตุ มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับแต่การมีอยู่ก็ไม่ได้ถาวรมันเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาอย่างในร่างกายเราเนี่ยเราคิดว่าร่างกายเราคงทนจริงๆเหรออยู่กับเราตลอดจริงๆเหรอเซลล์ที่อายุยืนที่สุดในร่างกายเรานะทีเซลล์กระดูกบางส่วนเนี่ยเป็นเซลล์ที่อายุยืนที่สุดนะอยู่นานแค่ไหนรู้ไหมอยู่ได้ไม่เกิน9ปี เราวันนี้กับเราเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยไม่ได้มีเซลล์อะไรที่เป็นอันเก่าเหลืออยู่เลยนะไม่ได้มีธาตุตัวเดิมเหลืออยู่เลยนะเนี่ยภูมิปัญญานะที่ท่านเห็นนะขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยยังหมุนเวียนเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลานะทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมปัจจุบันจะชี้ชาติลงไปว่าตัวเรามีอยู่อย่างชี้ไม่ได้เลย ดัอนั้นอนาคตตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนั่นเป็นความฟุ้งซ่านไกลยังไม่เข้าใจในขณะนี้เลยมันไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะตายหรอกมันมีแต่รูปเกิดขึ้นมาแล้วรูปก็ดับไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านคิดว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์าาแล้วนิพพานแล้วจะสูไปเลย พระด้วยกันสอนเท่าไร่เท่าไหร่ไม่เชื่อไม่ฟังท่านก็ยืนยันความเห็นของท่านอย่างนั้นนิพพานลาศูนย์เลยสมัยนั้นยังบุญว่าพระอรหันต์ที่เก่งมากๆยังมีอยู่พระทั้งหลายก็ไปนิมนต์ภาษาริบุตรมาปราบมิจฉาทิฏฐิองค์นี้สาิบุตรท่านก็ถามท่านไม่ไปนั่งเถียงด้วยว่านิพพาน แล้วยังมีอยู่หรือไม่มีอยูนะ่ท่านถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เทียงถามที่ปัจจุบันนี้นะไม่เทียงเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เทียงเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนไหมไม่ใช่ตัวใช่ตนะท่านบรรลุพระอรหันทรูกซักซั ก, ซกนะท่านแจ้งขึ้นมาในรูปนามขันห้าของตัวเองว่าเป็นไตรัก แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาท่านเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งพระสารีบุตรก็ถามท่านเปนการทดสอบอยังไม่ได้พาไปให้พระพุทธเจ้ารับรองถามองค์นี้ว่าถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาถามท่านว่าพระอราหันนิพพานแล้วไปไหนท่านจะตอบว่ายังไงผมจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป รู้เรื่องไหมถามอะไรทางน้อนไหท่านตอบลงปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันนี้ยังไม่มีเลยนะมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่ขณะนี้แล้วนะงั้นไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอะไรหรอกพระอรหันต์นิพพานแล้วยังมีอยู่ไปอยู่เป็นเมืองนิพพานหรือหายสาบสูญไปเลยนะพระสารีบุตรนะสอบผ่านแล้วองค์นี้สอบผ่านตอบถูก พวกเราจําไว้บ้างก็ได้นะถ้าใครก็ถามว่าพระอรหันติผ่านแล้วไปไหนตอบเพ้อพไปเลยรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเขางงก็บอกเธอปัญญาไม่ถึงภาษาลิบุตรนี่ฉันก็ไม่ถึงเหมือนกันเลยจะจําไว้ก่อนนะเห็นไหมท่านเน้นลงที่ปัจจุบันนะเรียนรู้ลงปัจจุบันรูปนามกายใจของเราเนี่ยเรียนรู้เข้าไปให้มากดูซิมเที่ยงไม่เที่ยงดูของจริง ดูซิมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่จริงร่างกายของเราเนี่ยถูกบีกบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงไหมจิตใจนี่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจริงไหมดูซิร่างกายเนี่ยสั่งได้ไหมเป็นวัตถุธาตุนะจริงๆเขนแค่วัตถุธาตุไหลเข้าไหลออกไม่ใช่คนหรอกเป็นแค่วัตถุที่มาประกอบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวจิตใจก็เป็นอนัตตาเหมือนกันคือสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ร่างกายเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่า ไม่ใช่ตัวใช่ตนะในแง่ที่ว <S entrepreneur |id|>. ่าม well in ันเป็นวัตถุเท่านั้นเองดินเป็นคนหรอน้ําเป็นคนเหรนอก็ไม่ใช่ดินไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาน้ําไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยลมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไฟก็เหมือนกันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขารูปนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันนี้เป็นการมอง ร่างกายนะมองวัตถุเป็นอนัตตาแบบแบบร่างกายเนะี่ยจะดูลงเป็นธาตุธาตุมันไม่ใช่คนสัตว์เราเขาปฏิเสธความมีตัวตนได้ส่วนจิตใจเนี่ยมองความเป็นอนัตตาในแง่ที่สั่งไม่ได้สั่งให้สุข ก, ก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ว่าจะไม่โกรธก็โกรธว่าจะไม่โลภ ก, ก็โลภว่าจะรู้สึกตัวก็หลงเอาหลงเอานะทําไม่ได้หรอกก็เป็นอนัตตา เนี่ยเรียนรู้ลงมานะความจริงดูความจริงดูให้เห็นความจริงไม่มีอะไรยากอย่าไปคิดเอาดูของจริงเอาถ้าคิดเอาอยังไม่ใช่วิปัสานาวิปัสานาเพราะว่าเห็นเอาเห็นอย่างที่เขาเป็นเขาเป็นยังไงเขาเป็นใจรักษณ์แน่นอนกายนี้เป็นไตรักณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นใจรักษณ์ความจําได้หมายรู้เป็นใจรักษนะความปรุงดีปรุงชั่วเป็นไตรักษ์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นใจรักษณ์ จิตวิญญาณก็เป็นไต ร, รักษณ์นะจิตใจก็เป็นไต ร, รักษณ์ตูของจริงให้มากนะเราก็จะได้เป็นพระสาวกตามพระกวนธัญญาท่านไปท่านเป็นเดอะเฟิร์สสาวกเลยนะเรามีข้อสอบนักธรรมนะเขาบอกว่าใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าใคร โล้ไหมอะไรนะนี่ตอบสุปาพุทธะนัผู้เป็นโรคเรื้อนพระสุพัทธะเนี่ยคาตอบคือพระสุพัทธะตอบผิดนะแต่เป็นคําเฉลยสาวกคนสุดท้ายคือใครตอบยังไม่ได้ยังไม่จบศาสนาพระสาวกคนสุดท้ายที่บรรลุพาาระอรหันต์ในขณะที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่นั่นพาสุพัทธะ บวิธีก็หลวมนะตําลาปริยัติใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระเจ้าพระสุภัททะงั้นเราไม่ต้องเป็นแล้วไม่ต้องศึกษาปฏิบัติแล้วนะทุกคนยังมีโอกาสนะจะเป็นสาวกแต่ขออย่างเดียวเมื่อเป็นสาวกแล้วอย่าเป็นองค์สุดท้ายนะะรักษาสืบทอดส่งทอดพระธรรมนี้ให้ใครสักคนหนึ่งก็อย่างดีนะทําหน้าที่นะ หน้าที่ของชาวพุทธศึกษาปฏิบัติเข้าใจท่องแท้แล้วหรือเข้าใจแล้วเข้าใจบ้างแล้วก็บอกต่อถ้าเข้าใจท่องแท้ก็บอกได้ห้าวหาญเต็มที่ไม่เครือบแคลงเข้าใจบางส่วนเราก็บอกเท่าที่เราเข้าใจอย่าไปเมคเรื่องขึ้นเองช่วยกันทําทําไม่ได้จริงเนื้อไลซีดีหลวงพ่อแจกก็ยังดีนะซีดีหลวงพ่อแต่นี้เยอะแยะไปหมดที่ไหนที่ไหนก็มีแม่ค้าส้มตํานะ ตำส้มตำขายค ร, ครกหนึ่งได้กี่บาทไม่รู้นะไลซีดีแจกยังมีเลยใจนะขึงขนาดนั้นเลยนะถือเป็นมหาทานของเขาเลยนะเขาเข้าจนก็ทำได้ขนาดนั้นนะพวกเราไปกินข้าวไปแล้วดูรูปเบทนาสัญญาสังขารบิญญาณมันทำงานไปนะนิมนต์เลยครับ